อโรคยมิเจปะระมัญจาลาปังสีลัญจพุทธานุมะตังสุปัญจะธรมานุวัตติจะอลีนะตาจะอัฏฐสทวาราปรมุขาชเลเเตติบุคคลควรปรารถนาลาบอย่างยิ่งคือความไม่มีโรคหนึ่งศีลหนึ่ง ความคล้อยตามผู้รู้หนึ่งการสดับตรับฟังหนึ่งความประพฤติธรรมหนึ่งความไม่ท้อถอยหนึ่งคุณธรรมหกประการนี้เป็นประตูด่านแรกแห่งประโยชน์ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อสมุฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้ว เรามาทำจิตให้สงบเรามาทำสมาธิกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงของจิตตะวิเวกให้ท่านผู้ฟังทาจิตให้มีความหลีกเร่นให้มีความวิเวกให้มีความสงบเย็นเรามาปฏิบัติธรรมะไปด้วยกันสักประมาณ60นาทีปริชาเปิดประตู แห่งประโยชน์หัวก็ที่จะทำการเทศนาเพื่อให้จิตรวมลงเป็นสมาธิเกิดปัญญาได้ในวันนี้คือประตรูแห่งประโยชน์ทางเลือกมีมากมายท่านผู้ฟังในชีวิตของเราเราจะหันซ้ายหรือหันขวาจะพูดคำนี้หรือคำไหนจะกินอันนี้หรือกินอะไร จะเลือกฟังสิ่งนี้หรือสิ่งไหนจะเปิดคลื่นนี้หรือเปิดคลื่นไหนก็ตามเลยมันมีทางเลือกให้เราเลือกมากมายในชีวิตของเรากณบอกว่าวันวันหนึ่งนี่คนเรานี่ตัดสินใจวันหนึ่งวันหนึ่งนี่0ส0มหั 35, ครั้งนะหมูฟังไม่ไหวที่จะข้ามตวนถนนตอนนี้หรือข้ามตวนถนนตอนไหน จะไปทางมาาลายหรือว่าขึ้นสะพานลอยจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจะกินขนมหรือจะกินนมจะกินข้าวหรือจะกินโจ๊กวันวันหนึ่งนี่เป็นหมื่นหมื่นครั้งตนี่ยทุกังวันเดียว24สี่ชั่วโมงเนี่ยโดยประมาณนี่นี่คือรวมทั้งเล็กๆลน้อยน้อยทั้งสาคัญสาคัญอยู่ในนี้หมดแล้วการตัดสินใจบางอย่างทุกัง ในชีวิตคนเรามันเป็นการตัดสินใจ เ, เรื่องสำคัญสาคัญเราจะเลือกทางไหนเราจะไปช่องไหนเราจะเดินทางไหนแล้วการตัดสินใจแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันก็มีผลต่อไปกับการตัดสินใจครั้งต่อไปอีกนะการตัดสินใจอีกสองครั้งข้างหน้ามันก็เป็นผลเนื่องมาเบื้องตีจากการตัดสินใจครั้งนี้ การตัดสินใจครั้งนี้อาจจะถูกหรืออาจจะผิดทำให้การตัดสินใจครั้งต่อไปอาจจะผิดหรืออาจจะถูกได้หมดอ่ะดังนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องรู้จักที่จะไปตามทางไปตามช่องเปิดประตูให้มันถูกอย่าเปิดผิดประตูอย่าไปผิดทาง ในที่นี้ให้ท่านผู้ฟังฝึกตั้งสติวิกญอนสตินั้นจะเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวที่จะพาเราให้ไปทางที่ผูกได้ไปทางกเกษมได้วันนี้เรามาตามทางพุทธเถฟังมานึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านพาดำเนินไป ท่านไปทางไหนไม่รู้เราตามไปทางนั้นนึกพุทธโธพุทธโธพุทโธขึ้นไว้ในใจเราจะตามทางที่พระพุทธเจ้าไปได้จะหาสิ่งนี้ท่านบอกว่าท่านเป็นผู้รู้คือเป็นพุทธโธชื่อของพระพุทธเจ้าคือโคดมอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่า สัมมาสัมพุโทโธพุธโทโธเนี่เป็นตำแหน่งนะทูตฝังของคนที่มีคุณสมบัติไม่มีกิเลสคืออรหันต์สามารถแจกแจงธรรมะได้เป็นบัคกวารู้ได้โดยตัวเองเป็นสัมมาสัมพุโทโธคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ก็มารับตำแหน่งนี้ได้ไปตามทางนี้ได้เราจะไปตามทางของท่านไปตามทางนี้ก็ต้องรู้จักชื่อ สิ้นทางนี้ซะก่อนเอาเถอะบอกว่าไปตามทางพุทธโธไปยังไงทางไหนไม่รู้เราก็ต้องรู้จักถามคนอื่นซะก่อนแลวต้องเรียกชื่อให้มันถูกซะก่อนเหมือนจะไปตามหาคนาแล้วเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้เขาชื่ออะไรไม่รู้แล้วเขาหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นแล้วเขาเกิดในตระกูลอะไรนามสกุลอะไรถ้าไม่รู้อะไรเลยนี่มันตามหาไม่ได้ จะไปตามหาคนที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงเนี่ยนะมันไม่เจอเดีย๋ยวน่าเราต้องรู้ก่อนต่อให้เราจะไม่รู้อะไรบ้างก็ต้องรู้อะไรบางในที่นี้เรารู้แล้วว่าทางที่เราจะไปนะี่คือตามทางพระบุทรเจ้าล่ะเป็นมีพุโทโธจะให้พุโทโธเกิดขึ้นในใจของเราเราก็เริ่มต้นจายการเรียกชื่อให้ถูกซะ ก, ก่อนนึกพุโทโธพุโทโธ วในใจวันนี้เราตั้งจิตว่าเราจะตามทางของพระพุทธเจ้าเปิดประตูแห่งประโยชน์ให้มันถูกบานไปตามเส้นทางให้มันถูกสายเส้นทางที่ดานให้แผนที่ไว้คือเส้นทางการระลึกได้คือสติหนึ่งหนึ่งวิธีการ พี่ท่สอนให้เจริญสติได้เครื่องมือที่ให้ไว้คือพุทธานุสติคือการตามประดึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าดูหน้าเป็นยังไงโอ้ยเราก็ไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้าจริงๆด้วยซ้ำมีแต่ที่ช่างปั้นช่างเขียนเขาปั้นไว้เขาเขียนไว้ซึ่งก็ตามแต่จินตนาการของช่างอีก ตามแต่ความประสงค์ของผู้สั่งให้ทำก็จึงมีหน้าพระพุทธเจ้าแบบสมัยเชียงแสนบ้างสมัยเชียงตุงบ้างสมัยสุโขทัยบ้างสมัยอุทยาบ้างโอ้เราเยังมีศิล ป, ปะของทางจีนของทางยุโรปอ้ยหนึ่งก็คือตามแต่ช่างดิจิพันขึ้นมาใช่ไละ่ะแม่จะระลึกถึงใบหน้าเราก็ไม่เคยเห็นอย่างนี้ว่าแล้วเสียงละ่ะ เสียงก็ไม่เคยได้ยินด้วยยิ่งถ้าจะพูดถึงของใช้ของท่านเอาชะบาจีวอนสังคติหมอกรองน้ำหาไม่เห็นแล้วเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุบางอันก็จริงบางอันก็ปลอมแล้วเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาตรงไหนเอาตรงคุณธรรมของท่านนี่ท่านบอกไว้ เวลาจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าไปตามสายเส้นทางเดียวกันได้ให้นึกถึงคุณคือคุณสมบัติคือคุณธรรมคุณลักษณะที่ท่านมีก็จึงนำบทพุทธคุณนี่แหละอีตีปีปโสปะกาวาอารหังสัมมาสัมพุโตวิวาจารณะสัมปนโนนี่คือคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพุทธคุณอ้าย่าง จริงๆแล้วจะแจกแจงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ร้อยแอย่างก็ได้ได้หมื่นอย่างแสนอย่างก็ได้กว่านั้นก็ยังได้อีกมีคุณธรรมมากบา ร, รมีสามสิบประการจะคุณธรรมในเรื่องปัญญากระจายอีกได้ไม่รู้จบในที่นี้เราให้คุณธรรมคุณลักษณะคุณสมบัติต่างๆเหล่านั้น มารวมอยู่ในคุณธรรมที่เรียกว่าพุทโธแล้วเราตั้งพุทโธพุทโธนี้ไว้ในใจของเราคือพูดขึ้นเลยพูดในใจเลยคิดใ น, ในใจเลยปรุงแต่งเลยก็ว่าได้การปรุงแต่งบางอย่างนะท่านผู้ฟังนะมันเป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟอ้อเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเป็นไปเพื่อไม่สงบะ การปรุงแต่งบางอย่างแต่การปรุงแต่งบางอย่างมันเป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้ดีรู้พร้อมให้ปรุงแต่งแบบหลังนี่มันดีถ้าจะปรุงแต่งแบบแรกมันไม่ดีจะไปเหมารวมว่าการปรุงแต่งทุกอย่างมันไม่ดีทุกอย่างก็มักแปดนี่นะนเป็นการปรุงแต่ง าจากคนที่ไม่มีศีลมาฝึกให้มีศีลปรุงแต่งบ้าแน่นอนจากคนที่เคยฆ่าเคยลักเคยขโมยปรุงแต่งดูซิว่าฉันจะไม่ฆ่าฉันจะมีเมตตาฉันจะไม่ลักฉันจะมีแต่ให้นี่มันต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงแน่ปรุงแต่งแบบนี้สะดีในที่นี้แทนที่เราจะคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนอนเรื่องอาหาร เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องงานนี่ให้มันนึกถึงอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธนี่ดีกว่าปรุงแต่งคิดนึกคำว่าพุทโธดีกว่าไปคิดถึงเรื่องการปฏิบัติเบียดเบียนถูกไหมล่ะนี่ก็มั s นสั่งสมังเป็นสามัญสำนึกธรรมดาธรรมดาแล้วในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธอยู่นี่ ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีความคิดนึกอื่นแทรกมานะเหมือนจมูกในขณะที่เราดมกลิ่นของหอมอยู่นี่ถ้ามันมีขยะอยู่ใกล้ๆด้วยเราก็ได้กลิ่นเหมือนพรำๆกับกลิ่นหอมนั่นแหละเหมือนเวลาเรากินอาหารแม้แต่คุณกินข้าวไข่เจียวใส่ปริกน้ำปลาจะบอกว่ามันมีเค็มอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่มันก็มีเผ็ดด้วยผลเข้ามาในความเค็มที่คุณกินอยู่กับน้ำปลานั้น จืดด้วยเอาข้าวด้วยหวานด้วยเอนบาีเขาใส่น้ำตาลด้วยเนี่ยมันก็ปนมาอยู่ในรถอาหารเหมือนกัรความคิดนึกเราจะไปคิดว่าคาดว่าเหมือนต้องไม่คิดอะไรเลยคิดเรื่องเดียวนาะไม่ใช่เลยมันจะปนกันมาแน่นอนเพียงแต่ในที่นี้เราจึงต้องรู้จักที่ชะแยกแยะรู้จักที่จะใส่ใจรู้จักที่จะสังเกตดูว่าจะเอาตรงไหน การแยกแยะสังเกตดูนี่คือสติไงมาเราเลกถึงให้ได้มาตั้งดูรู้อยู่กับกุทโธ ท, ที่เราปรุงแต่งขึ้นนี่แหละปรุงแต่งคำม่าพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นในจิตใจแล้วความคิดนึกอื่นๆที่ผ่านมารับรู้อยู่แต่ไม่ตามไปไม่เปลือไป เหมือนเวลาเราดมกลิ่นที่มีตั้งหอมและเหม็นมาด้วยเหมือนเวลาเราคุยโทรศัพท์เนี่ยแหละทูฟังคุณคุยโทรศัพท์กับคนที่อยู่ในสายในขณะที่บางทีเราก็อยู่ในห้างสรรพสินค้ากาลังเดินตลาดอยู่เนี่นะไม่ใช่ว่ามันไม่มีเสียงอื่นอยู่รอบตัวเราทูละมีเสียงรถบ้างมีเสียงคนคุยกันในพื้นหลังบ้างมีเสียงดนตรีบ้างแต่คุณเอาใจจดจ่อไว้อยู่กับ ผู้นสนทนา ใ, ในโตรศัพท์ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงอื่นแต่แค่ว่าไม่ใส่ใจในเสียงอื่นนั้นไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงอื่นแต่แค่ว่าใส่ใจอยู่กับสิ่งที่คนนั้นเขาพูดมาใส่ใจอยู่กับสิ่งที่เราจะพูดไปไม่ใช่ว่าไม่มีเสียงอื่นหูมันยังไงมันก็ได้ยินเสียงเหมือนกันนะเติมฝั่งเหมือนกันกับเรื่องกองใจใจยังไงมันต้องรับรู้อารมณ์ รับรู้ความคิดมีความรู้สึกต่างๆนั่นนี่ยังไงมันก็ต้องมีในที่นี้เราก็ให้มีคำว่าพุทโธด้วยในที่นี้แทนที่ใช้สิตใจของเราไปแส้สายกับความคิดเรื่องอดีนาคตเรื่องการงานเรื่องคนนั่นคนนี้ให้จิตของเรานั้นมาตั้งไว้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธความระลึกได้นี้นั้นน่นนะคือสติ ไม่ใช่ว่าจะแบบบุมบัมบุมบมแล้วก็มีเลยมันเป็นทักษะเป็นทักษะที่ฝึกมาฝึกไว้มันจะมีมากขึ้นมีกำลังดีขึ้นบางคนฝึกมาแล้วชาติก่อนพบก่อนมาทำปุ๊บมันก็ได้ไมายากบางคนเพิ่งมาฝึกชาตินี้พบนี้ทําไปทําไปมันก็ได้ขึ้นมาจะเริ่มจากน้อยหรือเริ่มจากมากมันพัฒนาได้ทุกฝั่ง เพียงแค่เราใส่ความเปลี่ยนลงไปทาจริงแน่วแน่จริงการทาจริงแน่วแน่จริงนั้นคือวิริยะวิริยะคือการลงมือทําการตั้งใจทําความตั้งใจนี่แหละเป็นคุณสมบัติของผู้กลา้าผู้ที่จะกล้าลงมือทํผู้ที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจิตเปลี่ยนแปลงความคิดที่แต่ใจไปทางนั้นท้งนี้ แต่ให้ไปตามทางที่พระพุทธเจ้าพาดําเนินไว้หนึ่งในคุณสมบัติของทางนี้จะต้องประกอบด้วยองค์นี้คือสติเป็นหนึ่งในองค์8ประการสําประเสริฐนั่นคือสัมมาสติเราตั้งสตินึกถึงพุทโธพุทโธนี้ไม่ใช่มิจฉาสติแต่เป็นสัมมาสติอย่างที่เรานึกถึง เรื่องที่ทําให้เกิดความเพลิดเพลินเรื่องที่ทำให้เกิดความลลหามลงไหลลุ่มหลงเช่นนึกถึงอาหารเออเขาเคยบอกนะว่าไปกินที่นี่เนี่ยโอ้ดีมากเลยต้องไปกินก่อนตายนึกถึงนั่นใช่ปะ่ะหล้วอะไรเกิดนะแมมมันยากไงราคามันเกิดอาการนึกถึงนั้นเป็นมิจฉาสตินะไม่ดีเรานึกถึงเรื่องราวที่ทําให้เราไม่พอใจเรื่องราวที่ทำให้เรากลุ่มใจกังวลใจ ทำไมคนนั้นเถ่งเป็นอย่างงี้ทำไมคนนี้แ ม, ม่เป็นอย่างงั้นเราเกิดความโกโรธเกิดความไม่เข้าใจเกิดความรียดขึ้นใช่ปะาการระลึกได้นั้นมันกิเลสเกิดนี่นหะการระลึกนั้นก็เป็นมิจฉาสติจิตมันจะเพลิ่นไปตามอารมณ์นั้นได้ง่ายๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าจิต น, นี่มปนลักษณะของมันอยู่แล้วมันจะคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์เป็นลักษณะของมันอยู่แล้วปลักไปทางไหนมันก็จะเคลื่อนไปอีกทางหนึ่งเหมือนหม้อ เป็นลักษณะของมันอยู่แล้วที่ว่ามันถูกพัดไปทางไหนมันก็จะไปอีทางหนึ่งเหมือนปุยนุ่นหรือบุยฝ้าวางอยู่บนพื้นโนริเรียกมันจะไปสวยอารมณ์แน่นอนเป็นลักษณะของมันแล้วไอ้ความคิดนึกหรือเรื่องราวอะไรก็ตามที่เราไปตรีตรีคิดนึกนี่มันก็จะมีอารมณ์ที่ติดมาด้วยกันกับมันเสมออารมณ์นั่นก็ไอ้โกรธบางไอ้หลงบางนั่นไม่ดีเลยเป็นมิจฉา ความมิจฉานั้นหมายถึงความที่กินเหลืเพิ่มอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ได้นะเช่นคุณคิดเรื่องทามาหากินนี่มันถูกต้องไหมถูกอยู่หรือคิดเรื่องคณิสสายอย่างเงี้ยการ์ิสาหรือการทำบัญชีหรือการรักษาคิดอยู่แต่ว่าถ้าคิดแล้วมันเป็นการเบียดเบียนคนอื่นคิดแล้วมันกลายเป็นเรื่องให้กลุ่มใจ ต่อให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องทางเทคนิคแลแต่มันก็เป็นมิจฉาได้เพราะว่ากิเลสมันเกิดให้เราตั้งสติไวให้ถูกต้องในที่นี้เราจึงใช้คาว่าพุทโธพุทโธนี่แหละจิตเราก็จะมีสติมากขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติกระบวนการของพุทธานุสตินั้นก็คือเวลาเรามานึกพุทโธปึ้งนี่ความระึกได้น่คือสติ สติที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตจิตสติและอุทโทอยู่ด้วยกันไงพะมีความระลึกได้อยู่ที่จิตความเพลินความพอใจความคล้อยไปตามอารมณ์อื่นๆจะลดลงเรานึกวุาโทใช่ไหมเไม่ใช่ว่าเราไม่มีความคิดอื่นนะเราก็มีความคิดอื่นโผล่ๆบมาเสมอเหมือนเราได้ยินเสียงเนี่ยกับเสียงอื่นด้วย แต่พอเราจดจ่อไว้อยู่กับพุทโธพุทโธสติมีกำลังมากขึ้นความที่จิตมันจะเปลินไปตามความคิดอื่นอารมณ์ก็จะลดลงโดยอัตโนมัติทันตีความเปลิยนก็ตรงข้ามกันกับสติสติก็ตรงข้ามกันกับความเผลอความหลงลืมก็ตรงข้ามกับการรึกได้ก็คือสตินั่นแหละเราตั้งสติขึ้นสิ่งที่เป็นอกุศลระดันั้นจะอ่อนแรงลง อ่อนแรงลงตั้งเสถียไว้ให้ดีแต่ยังเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับความคิดตเราพยายามจะบังคับความคิดเดี๋ยวเราจะปวดหัวคือไม่ต้องไปบังคับว่าให้มันคิดหรือมันไม่คิดนะ่ะเฮ้ยมันมีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะพยายามบังคับว่ามันอยากคิดโนโนเดี๋ยวเราจะตึงมันจะเครียด เพราะว่าถ้าเราครับเคลื่อนจิตใจของเราไปด้วยความอยากว่าอยากให้มันคิดหรืออยากให้มันไม่คิดนี่มันจะเครียดคกรัดเกินไปในที่นี้ให้เราทำเป็นธรรมชาติให้เราทำเป็นธรรมดาหนึ่งถึงพุโทโธพุโทโธไว้ในใจเป็นทางที่พระพุทธเจ้าเราพาดาเนินไปทางต่างๆนั้นมีหลายสายมากมายเพราะเรามีสติ อยู่กับพุโทโธเวลามีทางเลือกให้เราเลือกได้นะความคิดนึกอะไรที่มันตามต่อมาเนี่ยมันจะไม่ใช่มิจฉาสังกปะละมันจะเป็นสัมมาสังกปะละเพราะอะไรเอาเป็าคุณมีสัมมาทิฏฐิตั้งแต่แรกแล้วไงคุณมีสัมมาทิฐิในการที่จะมาตั้งสัมมาสติขึ้นนี่รู้แล้วว่าอะไรเป็นมิจฉาสติอะไรเป็นสัมมาสติโอ้ยจะไม่ไปคิดออกเรื่องอะไรไม่ดีใช่ปะ่ะไม่ไปคิดเรื่องมิจฉา ต, ต่างๆ จึงกำลังคิดอยู่แต่เรื่องที่มันดีๆใช่ไหมละ่ะคือสัมมาสติเอาสิ่งที่เป็นมิจฉากรลุ่ลงไปความคิดนึกอะไรที่ตามมาต่อจากสตินั้นก็จะเป็นสัมมาสังกปปะด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยสัมมาสติที่เราตั้งไว้ความเพียรที่เราพยายามจะระลึก ถ, ถึงอยู่กับพุโทโธนี่มันก็เป็นความเพียรที่ถูกต้องความเพียรที่ดี ความที่เราพยายามจะไม่ส่งใจตามไปในเรื่องอื่นทั้งที่มันมีอยู่ก็ตามกุศลธรรมมันก็เพิ่มขึ้นอ่ะกุศลธรรมมันก็ลดลงและก็เป็นสัมมาวายามะไงสัมมาสติคู่กันกับสัมมาวายามะดันกันไปดันอะไรดันจิตไปนำด้วยอะไรนำด้วยสัมมาทิฏฐิสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงขับดันให้มันดันไปได้นั้นคือสัมมาสังกัปปา คือความดำริชอบคิดนึกชอบนี่กำลังไปไหนก็นเนี่ยไปตามทางเลยระวังไปตามทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างไงแล้วขณนะที่เรามานึกพุทธโธอยู่เนี่ยเป็นสมาสังคป า, านี่ศีลคำพูดอาชีวาการเลี้ยงชีพต่างๆการดำเนิ น, นชีวิตก็บริสุทธิ์มาแล้วอยู่แต่เดิม เต่าตีตั้งแต่เรานั่งกันมานี้เราไม่ได้เป็ศีลใช่ไหมเราก็มาได้พูดอะไรกับใครก็เป็นสัมมารกรรมตะสัมมาวาจาเป็นสัมมาอาชีวะด้วยเอานี้องค์ประกอบ8อย่างนี้มันครบแนละ้วนเนี่ยนะองประกอบที่มีความประเสริฐ8ดอย่างนี้อยู่ตรงไหนนะทุกฝังแวดล้อมจิตอยู่จิตเนี่ยมันมีทางไปแล้วเลย เป็นทางเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านเดินไปแล้วก่อนหน้านี้ร่องรอยเส้นทางคือแปดอย่างนี้ลหละแปดอย่างนี้เกิดขึ้นที่ตรงไหนในจิตของใครจิตของคนนั้นตรงนั้นไปตามทางพระพุทธเจ้าละเปิดประตูแห่งประโยชน์ละไปตามทางเดียวกันละ่ะ ไปตามเส้นทางที่จะมีจุดหมายคือนิพพานตามเส้นทางนี้มีองค์ประกอบ8อย่างที่ประเสริฐในที่นี้เราฝึกเราทำเริ่มจากการที่มานึกถึงพุโทโธพุโทโธเลองจากนีก้เรามาใกล้กรวณในหัวข้อธรรมะที่มี6ประการที่ชื่อว่าประตูแห่งประโยชน์ เราจะเปิดทางตัดสินใจน้อมจิตขอราไปในทิศทางไหนจะต้องประกอบด้วยประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ถ้การตัดสินใจที่วันๆหนึ่งมันหลายๆครั้งในชีวิตของเราเกิดแต่สินใจผิดพลาดคำว่าตัดสินใจผิดพลาดหมายถึงเป็นมิชชจฉาเช่นแทนที่จะเลือกให้มีศีล ก็เลือกที่จะผิดสีแดงหมายความว่าเออจะพูดความจริงกับจะพูดโก 6. หกนเรื่องนี้โกหกก็ได้คนอื่นก็ไม่รู้หรอกพอเลือกโกหกปึ๊บผิดสีัดงดีละเลือกทางนี้ความชั่วกุศลธรรมก็เพิ่มขึ้นความดีคุศสมธ ร, รรมก็ลดลงการลงมือทำการทาจริงตรงนั้นความเพียนตรงนั้นก็เป็นมิจฉาวาหยามะ การตัดสินใจนั้นก็ไม่ดีจะทำไม่จริกรา อ, อนกำลังแต่ถ้าเราจะตัดสินใจให้มันดีให้มันถูกเพื่อตัดสินใจเรื่องรักษาศีงเงแต่จะระหว่างพูดโกหกกับพูดจริงเออพูดคำจริงดีกว่าระหว่างที่จะให้หรือจะไม่ให้ตอน น, นนี้เอาไว้เออเลือกที่จะให้ดีกว่าในระหว่างที่ว่าเลือกจะให้น้อยหรือเลือกจะให้มากเออเลือกจะให้มาก ดีกว่าอันนี้คือโดยคุณธรรมนะการตัดสินใจเรื่องที่เป็นโดยคุณธรรมหลักการมันมีอยู่แล้วอันนี้ไม่ยากเมื่อทีการตัดสินใจในเรื่องที่มันไม่ใช่คุณธรรมอะ่ะเช่นบางทีฉันจะทํางานบริษัทนี้หรือฉันจะทํางานบริษัทนั้นเอาคุณจะทํางานบริษัทไหนโอ้นันนกอตัดสินใจยากเหมือนกันนะ หรือคุณจะใช้แอปพลิเคชันนี้หรือคุณจะใช้แอปพลิเคชันไหนอือมึงดิมกันไปยากเหมือนกันนะหรือคุณจะเดินทางไปเที่ยวประเทศนี้หรือประเทศไหนเพื่อบางที่มันจะตัดสินใจเนี่ยมันก็ดูหลายเงื่อนไขปัจจัยนะทางไหนมันจะดีใช่ไหมล่ะทางไหนมันจะดีแต่เป็นลักษณะนี้ทางไหนที่เรามีสติได้มากทางนั้นแหละมันจะดี ทางไหนที่จะประกอบด้วยศีลที่มากทางนั้นแหละมันจะดีทางไหนที่จะสร้างกุศลธรรมได้มากทางนั้นะ่ะไรดีซึ่งการตัดสินใจเหล่านี้บางทีมันก็มีเงื่อนไขอยอื่นด้วยทุฟังไม่ว่าจะเรื่องเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมของคนในครอบครัวของเรื่องการเงินเศรษฐกิจอย่างเรื่องข้อจํากัดนี่และโน้นอีกหลายอย่าง ก็ดูตามสถานการณ์ไปดูตามสถานการณ์ไปแต่ที่แน่ๆเลยนะที่แน่ๆเนีนะ่ยบางอย่างเราไม่รู้เราทำอะไรยงไงเนี่ยท่านให้แนวทางเอาไว้อยู่6ประการให้แนวทางไว้6ประการเวลาที่เราจะตัดสินใจเรื่องอะไรจะไปตามประตูตรงไหนยังไงมันถึงจะได้ประโยชน์ได้เบเนฟิตที่มากที่สุดดีที่สุด จึงพูดถึงหัวข้อธรรมาที่ช่อว่าประตูแห่งประโยชน์ประมักใคร้กรวนธรรมะในข้อนี้คือตอนนี้จิตเราต้องมีสติแล้วนะมีสติแล้วจิตสงบลงระงับลงบางทีคำว่าพุโทโธมันก็หายไประงับไปเหลือแต่สติล้ว น, วนแต่ถ้าเผื่อว่าบางทีมันหวนกลับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อีก เราเผลอเพลินไปบังทีมันเผลอสติเอาเรานึกได้เมื่อไหร่กลับมาอยู่กับพุทธโธใหม่ให้ทำอย่างนี้พอจิตเรามีสมาธิแล้วต่อไปพิจารณาธรรมะในหัวข้อของประตูแห่งประโยชน์ในข้อแรกก็ฟังท่านบอกว่าความไม่มีโรคของหัวข้อก่อนนะหนึ่งคือความไม่มีโรคสองคือศีล 3. การคล้อยตามผู้รู้ 4. การสดับตรับฟัง 5. การประพฤติ ธ, ธรรมและหกความไม่ทอ้อถอยพระพุทธเจ้าวเวลาท่านแนะนำให้สาวกแสดงธรรมนี่ก็ให้แสดงธรรมไปตามลำดับไม่ตัดรัดให้ขัดความในที่นี้ลำดับที่กัปเช้าอยากจะแสดงไล่ไปนั้นเดี๋ยวจะเริ่มจากข้อสุดท้ายมา เราไปจบที่ข้อที่หนึ่งคือจะเริ่มจากความไม่ท้อถอยให้ไปจบที่ความไม่มีโรคความไม่ท้อถอยคืออะไรเราไล่ไปตามลำดับก่อนความท้อถอยลัะคืออะไรก่อนนะความท้อถอยมันก็คือความไม่มีกำลังใจหมดกำลังใจในการที่จะทำบางทีพระพุทธเจ้าก็ท้อใจในการแสดงธรรมแบบนี้บางทีเราก็ท้อใจในการที่จะ ทำงานวันนี้ตื่นมาเนี่ยโอ้ยเสงงมากๆเลยไม่อยากจะทำเลยทำไมฝนต้องมาตกด้วยทำไมการจราจรมันต้องติดขัดด้วยทำไมโอ้ยเขาส่งอีเมลนี่มาทำไมเขาด่าแล้วมาอย่างนี้หรือเขาทำอะไรที่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราพอรับรู้เรื่องต่างๆแล้วเกิดความอ่อนแอท้อแท้ท้อถ อ, อยนี่แหละมันคือความท้อถอยคือความที่เราอิดโรย บางทีมันก็เกิดจากเงื่อนไขของสุขภาพได้บางทีก็เกิดจากเงื่อนไขของสภาพดินฟ้าอากาศได้เป็นไปได้ความต่อแต่ต่อถอยความท้อแท้ท้อถอยไม่มีประโยชน์ความต่อแต่ต่อถอยยังรวมถึงความเศร้าโศก ค, ความหมดกําลังใจความที่แบบแม่สั่งตายด้วยนะขี้เกียจขี้กล้าหนึ่ก็อยู่ในนี้ด้วยละ่ะความต่อแต่ต่อถอย สิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ท่าผู้ฟังเต่สมมุติคนเราร่ำไห้คร่ํากรวนนะแล้วสิ่งที่มันสูญเสียไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะเออยิ่งร่ําไห้คร่าครวนท้อถอยมากเท่าไหร่ยิ่งจะมีประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเออมันยังดีแมถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้นี่ใครอ้อนวอนดังกว่าใครท้อถอยมากกว่าใครเสียใจมากกว่าแล้วก็จะสําเร็จขึ้นมามันไม่ใช่เงนินป่ะหรือคนที่ปิดหวังมาก พอจะสำเร็จได้มากก็ไม่แน่ป่ะคนที่ปิดหวังแค่ครั้งสองครั้งบางทีเขาก็สำเร็จได้คนที่ปิดหวังบางทีเป็นแสนเป็นหมื่นครั้งถ้าไม่รู้จักเรียนรู้เขาก็สำเร็จขึ้นไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นความอ่อนแอความท้อแท้ความสิ้นหวังความร่ำไห้คร่ากรนพวกนี้ขี้เกียจ ด, ด้วยเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีความจะช่วยเหลืออะไรเราได้เลย มันไม่ได้จะสร้างเหตุความสาเร็จไม่ได้จะอะไรได้เลยแต่ความไม่ท้อแท้ท้อถอยต่างหากมีประโยชน์มีประโยชน์ตรงดี่ว่าเราก็ไปสร้างเหตุที่มันถูกพี่ว่าเราทำแล้วมันยังไม่ได้เออมึงดีเราทำไม่ถูกเหตุเราไม่เข้าใจเรื่องเหตุผลอย่างแท้จริงทำไม่ถูกมันก็ปิดพลาดแต่ไม่เลิกความไม่ทอถอยนี่คือไม่เลิกหวังอาจจะทำผิดอาจจะยังไม่ถูก จะมีความปิดพลาดแต่ถ้าเลิกนะคือท้อไงคือถอยไงแต่ไม่เลิกนะไม่เลิกก็คือไม่ท้อถอยไงก็ทําต่อหนะ้าแต่จะยังไม่ถูกเอาลงมือทําต่อพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ทยท้อใจในการแสดงธรรมใช่ปะเอาไนงะแต่ก็ยังแสดงอ่ะคือท่านไม่ท้อถอยความท้อถอยนี่เป็นสภาวะจิต ท, ที่มันจะต่ําลงหดหู่นะ เหมือนไฟที่มันกําลังจะมอดแล้วมันก็หลีลงหลีลงหลีลงนี่จิตที่หดหู่จิตที่ท้อถอยไม่อย่าเป็นอย่างนั้นจิตอย่าหดหู่จิตอย่าท้ทอถอยตอให้มันยังไม่สําเร็จต่อให้มันมีความผิดหวังต่อให้ถูกด่าดถูกว่าอย่าท้อถอยแมมบางทีมันก็พูดง่ายป่ะท่านก็ได้แก่ บ, บอก ว, ว่ามันไม่ท้อถอยแล้วมันก็ไม่ท้อถอยได้เลยอะ แต่บอกว่าให้มีกำลังใจให้สู้ส้แล้วมันก็สู้ๆได้เลยโวยเราไปพูดอย่างนี้กับคนที่ก็เป็นซึมเศรัดิยิ่งเขาจะทอ้อถอยลงไปอีกบอกให้เขาสู้ๆนะมีกําลังใจให้นะโว้ยยิงจะให้เขาเสื่อมหมดกำลังใจกำลังใจมันต้องเกิดจากใจของผู้นั้นเองกำลังใจมันเกิดจากใจเนะี่ยมันไม่ได้เกิดจากภายนอกมันเกิดจากในภายในเรา ไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกหรอกว่าสู้สู้ไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกหรอกว่าอย่าท้อถอยตัวเราเนี่ยต้องไปตามประตูแห่งประโยชน์ข้อนี้จะมีประโยชน์อะไรด้วยความต่อตอยจะมีประโยชน์อะไรด้วยกันย้ำกิดย้ำทำแต่คิดมากๆแล้วมันจะดีขึ้นมาได้มันก็สำเร็จกันทุกคนแล้วหรือถ้าอ่อนบอลขอร้องมากๆเร า, าจะไม่มีใครเสี่มจากอะไรเลย โอในโลกนี้ทุกคนก็จะได้ตามปรารถนาสมวังกันหมดเลยดิจะไม่มีคนตายจะไม่มีคนเจ็บเลยล่ะแต่ใครป่วยอยู่เขาก็อธิษฐานขอร้องว่าให้หายแล้วมันก็หายเลยนี่นะแตไ่ไม่เป็นอย่างนั้นเพระที่เราจะผิดหวังเราจะไม่ได้ตามที่ต้องการแต่มีกําลังใจได้ไม่ท้อถอยได้จิตที่ไม่ท้อถอยนั้นหมายถึงยังมีการทําความเพียรอยู่ ความเพียรเนี่ยเปรีบเหมือนไฟร่วังถ้ามันบึ้มบุ้มบุมบุ้ ม, มแรงเกินไปเนี่ยคือจิตมันตรงข้ามกับความหดภู่ไงมันเป็นความฟุ้งซ่านเกินไปฟุ้งซ่านก็ไม่ดีท้อถอยอ่อนแอก็ไม่ดีฟุ้งซ่านนี่คือความเปลี่ยนที่ประรบจัดเกินไปเป็นลักษณะที่ไฟแรงขึ้นแรงขึ้นจนอันตรายละท้อถอยนี่คือความเปลี่ยนที่ย่อหย่อนเกินไป มันก็จะเป็นขี้เกียจขี้คร้าน air, อ่อนแอท้อถอยหมดกำลังใจไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำอะไรนั่นก็เป็นสองทางสุดโต่งเหมือนไฟที่มันรีลงรีลงรีลงไฟที่มันจะดับแล้วเขาก็ต้องใส่เชื้อเข้าไปใช่ปะเป็นใบไม้แห้งฟืนแห้งเป่าลมเข้าไปอย่าใส่ฟืนเปียกลงไปมันก็จะต่อมา มีไฟลุกโลงขึ้นได้ในขณะที่ถ้านี่คือปเปรียบเทียบส่วนต่างให้ทุกฝังเห็นนะว่าความอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยมันคือความเพียนมันย่อหย่อนแต่ถ้าตรงข้ามคือความเพียนมันจัดเกินไปไฟนี่บึ้มบึ้มบ้มบึ ม, บมขึ้นเลยเอา้าวเขาก็ต้องใส่ขี้เท่าลงไปเขาก็ต้องใส่ฟืนเปลือกลงไปอย่าเป่าลงเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะระงับลงเองเหมือนจีโควาพอ คิดมากพอปรารบความเพียรจัดมันฟุ้งซ่านได้มันฟุ้งซ่านได้มันสู้ซ่ามันมีความเพียรประรบจัดเกินไปจเปรบไว้สองส่วนเนี่ยเหมือนการที่เราจับนกกระจาบถ้าจับแน่นเกินไปด้วยมือสองมือบีบมันเข้าบีบมันเข้าเนี่ยโอ้หมันก็ตายขามือละมันคือความเพียรที่ประรบจัดเกินไปแต่ถ้าเอามือสองมือจับแล้วหลวมมือเกินไป นกมันก็บินหนีไปได้เหมือนกันเจ้ากนกนี่ก็ไม่ได้นี่คือความเพลี่ยนที่ย่อหย่อนเกินไปคือลักษณะเป็นความท้อถอยเป็นความท้อแท้อ่อนแอทำจริงแน่แน่จริงลดลงไม่ใส่ใจทำจริงเราจะปรับไอ้เจ้าความท้อถอยอ่อนแอให้มีความเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเร่งไวส้สิเราจะปรับเจ้าความกระตือรือร้นจนเกินเหตุเป็นความฟุง้งซ่าน ให้มันลดลงเราก็ปรับสมาวายามาสิแในเทคนิคนี้ไว้คำฝังในเรื่องของโพ่อชงถ้าจิตหดหู่แล้วเหมือนไฟกำลังจะดับแล้วให้ใส่เชื่อให้เอาลมเข้าไปใช่ไหมก็เหมือนกับการที่ให้เรามีความมั่นใจคือมีศรัทธาลงไปมีศรัทธาลงไปนี่ฝังมันจะเพิ่มการทำจริงแนวแน่จริงปรับตรงนี้ให้สมดุลได้ คือศรัทธาเนเป็นจริงๆแล้วเป็นตัว ก, กว้างๆที่จะปรับทั้งที่ความเพียร น, น้อยท้อใจอ่อนใจให้เร่งขึ้นมาได้ที่จะปรับจิตที่มีความฟุ้งซ่านไม่สงบคิดนึกบาบอ น, นั่นนี่ให้ระ ง, งับลงได้ด้วยศรัทธาไหมทีนี้พอมีศรัทธาแล้วจะใส่อะไรยังไงตรงไหนถ้าในส่วนที่ย่อหย่อนเกินไปละอ่อนแอ่อนแอละให้เจริญปีติสัมโพชง ให้เจริญวิริยะสัมโชง์ให้เจริญธรรมวิจยะสัมโชง์สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวเร่งไฟให้จิตของเรามีความเปลี่ยนขึ้นมาได้อย่างพอดีพอดีปีติสัมโพชง์ก็คือเห็นความสงบเห็นความสุขคิดนึกถึงเรื่องที่จะทำให้เรามีความสุขคนที่ท้อใจเนี่ยนะคือจิตมันจดจ่อไปในเรื่องที่ให้หดหู่ไง มันจดจ่อไปในเรื่องที่ให้ ท, อ ท, อทอห้อถอยอ่อนกําลังใจแ น, น่นอนนะว่าความคิดนึกอันใดมันมีอารมณ์ติดมาด้วยเสมอที่เรามีอารมณ์อ่อนแอท้อแท้เนี่ยเพราะบางทีเราอาจจะไปคิดเรื่องที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาเราให้คิดนึกถึงเรื่องที่จะให้เรามีกําลังใจนั่นคือความดีนั่นเองคุณนําความดีอะไรมาบ้างแหมคุณเรามันเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มีความดีอะไรเลยนะมันมีทุกคนนะ ต่อให้เป็นยาจกขอทานบ้านไม่มีอันจะกินถูกพ่อแม่ทำร้ายทุกตีไม่มีโอกาสในชีวิตอยากจนข้นแค้นเป็นขอทานหาเช้ากินข้าบางทีก็ไม่ค่อยมีจะกินความดีคุณมีแน่นอนฝันตรงให้เลยดีตรงไหนเนี่ยท่านลําบากขนาดนี้ถูกเ้าทําร้ายปู้ยี่ปู้ยยำขนาดนี้จะเกิดมาเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยนะระวังมันไม่ใช่ง่ายนะ ต้องอาศัยความพยายามอาศัยบุญอาศัยกุศชนนะจะว่าฟลุก๊กฟลุ ก, กว่าโอ้โหมันก็ยากอะ่ะจะฟลุก๊กเนี่เหมือนเตาตาบอดร้ยปีโปร่ขึ้นหายใจครั้งเดียวในทะเลที่มีความกว้างขวางชนิดที่สุดลูกหูลู ก, ลกตาแล้วเอาหัวเขามีนน่นสอดเข้าไปในไม้แผ่นหนึ่งที่มันมีรูอยู่พอดีพดีเนี่มันยากมากนะ เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้นี่ยเรามีบุญแล้วนึกถึงบุญข้อนี้นี่นึกถึงบุญข้อนี้เพราะเรามีความคิดปี่เป็นกุศลแระทำในที่นี้คือวิธโตวิจารณ์ปีติมันจะเกิดในปีติสัมพโยงขึ้นอย่างนี้บางคนําความดีไว้หลายอย่างเช่น ว, ว่าเรารักษาศีอย่างนี้เป็นต้นนะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ววันเนี้เรารักษาศีลมันก็คือเจตนาตนเอง ตั้งแต่ฉันฟังรายการมาครึ่งงชั่วโมงกว่าเนี่ยฉันไม่ได้ทำผิดศีนเลยโอ้ฉันมีสีนนัเนี่ยเจตนาตนี้สำคัญเรามานึกถึงสินโดยเจตนานี่เอา้ามันก็เป็นสีลาฤสติไงให้หเป็นความดีก็เนี่ยโอ้ให้สบายใจเลยเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เรื่องดีกว่าคนที่มีเงินทองล้นฟ้าแต่โกงแต่ก็โมยแต่พูดโกโหกสินของเรามีอำนาจมากกว่าเงินทองนะเออสินของเรานี่มีพลัง มากกว่ารถยนต์คันหนึ่งนะเออเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ความสุขระดับพระเจ้าจักรพรรดินี่มันเทียบไม่ได้เลยนะความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่มีทรัพย์เจ็ดอย่างมีอิทธิฤทธิสี่อย่างความสุขนี้ถ้าเปรียบเทียบกับความสุขของเทวดาบนสวรรค์ที่ดำอนิสง สร้างเหตุคือศีลแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ความสุขของพวกเทวดานี่เท่ากับภูเขาหิมาลัยที่มันต้องสูงใหญ่มันกว้างสุดลูกหูลูกตากับเศษดินที่เวลาเราเอาเล็บสั้นๆของเราไปเขียดดินแล้วมันติดปลายเล็บขึ้นมานี่ความสุขของพระเจ้าจาักรพรรดินี่เท่านี้เองนะที่มีทรัพย์เจ็ดอย่างมีฤทธิ์สี่อย่างนี้อยมากนโอ้ยสีนี่มีอนุภาพมากขนาด น, นี้ แล้วนึกถึงสีไงเราจะมีความไม่ท้อถอยเราจะมีกําลังใจขึ้นมาได้เกิดปีติได้หรือใกล้ควรธรรมะก็ได้เออธรรมวิจยสำโพชงใกล้ควรธรรมด้วยปัญญาเราอ่านเราทําความเข้าใจธรรมะบทใดบทหนึ่งเรามาใกล้ควรธรรมะบทนั้นด้วยปัญญาอาจจะเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องบทสวดมนต์ หรืองหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งที่ฟังในรายการนี้บ้างฟังในรายการอื่นบ้างการมาคบคิดใคร่ครวนมันจะช่วยกระตุ้นแทนที่จะคิดเรื่องให้ท้อใจอ่อนใจมันก็ไปคิดเรื่องอื่นขึ้นมาเรื่องที่เป็นธรรมะจ่อจงลงไปจิตเราก็จะมีกำลังขึ้นมาไม่ท้อถอยไม่อ่อนแอในขณะที่ถ้าบอกว่าตรงกันข้ามจิตเรามันฟุง้งซ่านเว่อวะเว่อ ว, ะ ว, ะวะคิดมาก เป็นอีกเรื่องหนึ่งเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นจะให้สงบลงได้เานบอกว่าให้เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงปัสธิสัมโพชฌงและสมาธิสัมโพชฌงก็คือลักษณะเดียวกันกับอย่างที่เราได้เคยทำมาในช่วงแรก30มันทีแรกในฝึกให้ท่านผู้ฟังได้ทำจิตให้สงบโดยการมานึกถึงพุตโตพุตโตเอาสิ่งนั้นมาตั้งไว้ในจิตมันก็จะเป็นตัวช่วยปรับ ความทอ้อแท้หรือความฟุ้งซ่านให้มันหมกพอดีๆก็จะเหมือนกับการจับนกกระจาบด้วยมือสองมือพอดีๆนกนั้นมันก็ไปไหนไม่ได้คนก็จะได้ประโยชน์ทั้งตัวเราเองทั้งกับผู้อื่นด้วยนี่ประการที่1ประตูแห่งประโยชน์อันที่สองคือการประพฤติ ธ, ธรรมการประพฤติ ธ, ธรรมการสร้างกุศลการบำเพ็ญบุญ เป็นไปด้วยกันหลักธรรมะอะไรเราเอามาทําเลยกุศลอะไรจะเป็นทางกายวาจาหรือใจเราสร้างเลยสร้างกุศลประพฤติ ธ, ธรรมซึ่งธรรมะนี่มีข้อปฏิบัติก็ให้สามารถเลือกทําได้มากมายบางคนบอกโอ้ประพฤติ ธ, ธรรมฉันจะมานั่งสมาธิทําจิตให้สงบในช่ยนทําไม่ได้หรอกชั่วโมงหนึ่งของห้นาทีก็ได้ห้นาทีมีไหมล่ะหนาทีไม่มีเอาสองนาทีเอาลองทำสองนาทีดูอ๋อ หรือว่าถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันเราเอาเรื่องการเงินกระรคุณได้รับเงินมาคุณแบ่งใจในสีหน้าที่ไหมถ้าคุณแบ่งใจในสีหน้าที่นั่นก็เป็นการประพฤติตามธรรมแล้วเอาหรือมีคนขับรถปาดหน้าเราเนี่ยโอยเบรกเยีเยตัวโกงเลยเนี่็มีแม่ตายเขาได้ป่าเออจะไปนึกตำหนิด่าเขาหรือนึกถึงพ่อแม่เขาว่าทาไมไม่สอนหรือยังไงทำไมทอย่างาางี้ อันนั้นเกินไปแล้วแต่ให้มีเมตตาและมีอุเบกขาเออหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในชีวิตประจำวันคนเขาด่าว่าให้เราคุณอโโดทนได้ไหมอุเบกขาอุเบกขาทำจิตเป็นสมาธิวางเฉยได้ไหมเออหนึ่งก็เป็นการปฏิบัติธรรมหรือการเห็นโลกธรรมแปอย่างเงี้ยเออเขาด่าเราเราจะหดหู่เื่บางที่เขาก็ชมเราจริตแล้ก็ ฟูขึ้นมาอาอย่างนี้มันไม่ถูกแล้วนี่นะบางทีการนินทาการสรรเสริญมันมาด้วยกันอรารอให้หวางเฉยในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นกำลังใจขึ้นมาได้เป็นการประพฤติธรรมขึ้นมาได้นี่มันก็มาด้วยกันด้วยนะการประพฤติธรรมได้ทุกรูปแบบได้ทุกสถานการณ์ได้ทุกเวลาให้เราประพฤติธรรมได้ไม่จุดใดก็จุดหนึ่ง ได้แน่นอนทุกคนด้วยาการประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยจะเป็นประตูแห่งประโยชน์คือตรงจุดที่มันไม่ได้เราจะไปเอาได้ไงใช่ป ะ, ะเราก็เอาตรงจุดที่เราทำได้สิถ้าเราจะไปคาดหวังวตัวนั้นจะทำไม่ได้เลยเอาก็ทําไม่ได้ก็อย่าพึ่งทํำดิการทาตรงไหนที่มันได้ไอ้ตรงเวลาที่เราจะทําตรงที่เราไม่ได้เนี่ยมันก็ท้อใจอดิคุณประพฤติ ธ, ธรรมคุณก็ประพฤติตรงที่มันได้ล่ะ ตรงไหนที่มันได้เอาตรงนั้นเวลาไหนที่มันได้เอาเวลานั้นจุดไหนที่มันได้เอาจุดนั้นแหละเอาจุดที่มันจะได้ซึ่งมันนิดหน่อยมันก็มีทุกคนได้แน่นอนอย่างที่พราพุเจ้าบอกว่าแม้แต่คนที่เข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติจริงๆเลย<ๆ>ก็ยังสามารถประพฤติธรรมได้ตั้งจิตไวให้ถูกได้มีศรัทธาได้พิจารณาให้ดีได้ไม่ต่อใจได้ไงประพฤติธรรมนี่มันช่วยเรื่องกันไม่ต่อใจ ช่วยเรื่องการให้มีกําลังใจช่วยในเรื่องการให้ปรับสมดุลในถูกต้องคือการประฏิ ธ, ธรรมประตูแห่งประโยชน์ถัดไปคือการสดับตรัฟังเหมือนจะรู้ฟังฟังรายการต่อมานี่แหละฟังจากผู้รู้ฟังจากสิ่งที่ท่านสอนไว้บอกไว้การฟังนี่คือเงี่ยโสดฟังหมายถึงเหมือนช้างอาชาใน ที่เขาคอยฟังคําสั่งจากขวานช้างด้วยจิตใจจดจ่อว่าจะให้ทําอะไรจะตอบสนองยังไงประตูแห่งปริวัดอันนี้หมายถึงเราฟังทำแล้วต้องมีใจจดจ่อด้วยแล้วว่าทำไมข้อนี้เราจะเอาไปใช้ยังไงจะปฏิวัติยังไงนี่คือการสดับตรัฟฟังแล้วเรื่องที่ฟังมาดิมไม่ต้องมากนะคือบางคนฟังมากๆเป็นแสนเป็นหมื่นคําเนี่ยแต่ด้ฟังแล้วมันทําอะไรไม่ได้เลยนะ โอยการฟังนะี่มันจะไปได้ประโยชน์ได้ไงสี่เวลาเฉยฟังจนหูแฉะนี่ก็ไม่ได้ประโยชน์อนะแต่ฟังนี่มันต้องฟังจากผู้รู้นะฟังจากคนที่เขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญเมื่อที่ไม่ต้องมากอนะอย่างบางทีเราไปทคคอร์สออนไลน์เนี่ฟังโอ้ผมมีชั่วโมงมากๆเลยเจ็ดสิชั่วโมงเนี่ยโอ้มันน่าจะดีนะโอ้ยบางทีแบบน้ําท่วมทุง่งตบบบุ้งหลงเรลิง เฮ้ hey, แต่คอร์สออนไลน์บางคอร์สมันครึ่งชั่วโมงเองเนี่ทำไมคิดแพงแท้โหครึ่งชั่วโมงแต่ว่าข้อมูลมั น, มนอัดแน่นเลยนะแบบว่าเป็นคําแนะนําที่ exclusive จริงๆแเลยโอ้สามสิบนาทีนี่มันมีค่ามากกว่า70ชั่วโมงอีกอะมันอยู่ที่ว่าคนพูดข้อความนั้นมันมีความลึกซึ้งขนาดไหนการสดับตรรับฟังนั้นจึงต้องสดับตรรับฟังจากผู้รู้สดับตรรับฟังจากผู้ที่มีปัญญา สำับตราฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์เคยทําสําเร็จมาแล้วคุณต้องการอะไรนี่ เ, เราต้องการนิพพานเราต้องการเป็นผู้รู้เราต้องการพุโทโธอ่ะเขาก็จะเป็นพุโทโธก็ฟังจากพุโทโธสิพุโทโธกล่าวไว้ว่าไงเราฟังตรงนั้นฟังตรงนี้ทําให้จิตเราเนี่ยคล้อยตามผู้รู้จำไปฟังคล้อยตามผู้รู้ซึ่งแน่นอนบางทีเรื่องที่ฟังเนี่ยเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่มั่นใจแล้วเราก็ไม่รู้จะทํำยังไง มันจะใช่เหรอไอ้ความไม่มั่นใจความแบบไม่ลงใจตรงเนี้ยมันจึงจะไม่ไม่คล้อยตามพอไม่คล้อยตามแล้วมันลงมือทาไม่ได้เพราะเราฟังจากผู้รู้แล้วจิตใจเราต้องคล้อยตามไปด้วยจึงเป็นประตูแห่งประโยชน์เัตุที่สี่ที่ว่าถ้ามีผู้รู้ก็มีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีเขาแนะนํานี่นะแล้วก็เป็นบัณฑิตด้วยนะคือบางคนแนะนําในทางที่ไม่ดีนะ คือมันก็มีความเชี่ยวชาญในสาขาสายวิชานี้อยู่เอ๊ะแต่ทําไมแนะนําผิดๆให้เราโหคือเขาเชี่ยวชาญอยู่แต่เป็นคนพาลชี้ทางที่มันจะเสื่อมปิดทางที่มันจะเจริญอะเงินเราไม่ควรคล้อยตามคนพาลแบบนี้ต่อให้เขามีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นแต่ว่าให้คล้อยตามผู้รู้หมายถึงบัณฑิตนั่นเองบัณฑิตเนี่ยจะมีลักษณะที่จะชี้ประโยชน์ชี้ขุมทรัพย์ ชี้จุดที่เราจะพัฒนาปรับปรุงได้ซึ่งแน่นอนว่ฟาฟังบางทีมันไม่สบายใจอย่างคนที่เป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยพอโค้ชนี่บอกว่าอย่าทํามืออย่างนี้อย่าทําขายอย่างนี้แมหมบางทีโกรธนะเอ้ทํำไมต้องดายอย่ายี่ด้วยอ่ะทำไมทํามือเหมือนเป็ดเนี้ทำไมทําขาเหมือนนกอย่างงี้ยถูกด่าแล้วก็แบบเครียดแล้วไม่ใช่เขาไม่ทำอ่าใ น, นมีทิฏฐิมานะเราไม่คล้อยตามบูร้รู้ละผู้ศาสตร์บอกนี่ เขาชี้ช่องให้เขาพูดถึงจุดที่เราจะพัฒนาได้เอาเลยคว้าเลยเขาชี้ขุมทรัพย์แล้วเห็นเงินหล่นอยู่นี้ทำไงเก็บเลยดิเรามีประโยชน์ที่เราจะพัฒนาได้คลอยตามพูดรู้ดูฟังต้องรู้จักฟังต้องรู้จักเลือกพอเราฟังแล้วเราทำตามนี้จะเกิดประโยชน์ประตูเองประโยชน์นี่ก็เบิดออกเลยถัดมา พอเราฟังเรื่องอะไรต่างๆแล้วทำจิตให้คล้อยตามไปแล้วมีสต้าตั้งไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นพื้นฐานเลยนะนั่นคือศีลตังง้งว้ศีลจะเป็นประตูแห่งประโยชน์อันที่5ที่พอเราคล้อยตามผู้รู้ที่เป็นผนวกของการสำ ร, รับฟังศีลตั้งขึ้นมีอยู่เป็นปกติเลยศีลในที่นี้คือความเป็นปกติ ปกติที่ว่าคนนรามันก็จะไม่ได้ดื่มเหล้าเป็นปกติะคน ก, ก็กินน้ําเป็นปกติ้ยใครจะกินเหล้ามากกว่าน้ำใช่ป่ะไม่ได้แล้วมันจะเป็นพิษอยู่ไหางในแต่เขาก็ต้องกินน้ําเป็นปกติไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติไม่พูดโกหกเป็นปกติพูดคําจริงจะทําอะไรก็ไม่ไเบียดเบียนชีวิตสัตว์แต่ให้มีความเมตตากัน ไม่ประพฤติิจารีตในรูปแบบต่างๆอยู่เป็นปกติมีการไม่ลักขโมยมีการรู้ถึงว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งไหนเราเป็นเจ้าของสิ่งไหนเราก็เอาแต่เฉพาะสิ่งนั้นจับต้องสิ่งนั้นอยู่เป็นปกติความเป็นปกติ5อย่างนี้เป็นพื้นฐานของผู้ที่อย่างบริโภคกามของผู้ที่ยังยินดีอยู่ในกามรักษาความเป็นปกตินี้ชีวิตเราเนี่ไปตามทางดีละ เวลาเรานึกถึงว่าไปทฉันจะ้ะฉันพูดโกโหกได้ฉันขโมยได้ฉันประพฤติผิดเสียข้อสามได้แต่ว่าไม่ทำนะไม่ทำนะไม่ทำนะไม่เอานาะเออพอไม่ทำนะรนึกถึงความดีตรงนี้ได้นะบูมเลยจะมีสีลานุสติเกิดขึ้นนะจะไปใช้ในเวลาที่เราทอแท้ทอถอยได้นะเออจิตใจที่มีสีเหมืนพื้นฐานโดยความไม่ทอถอย ปรปพิชตามทมตามประโยชน์แล้วจะทำให้จิตของเรนมีความสงบระงรับลงระงรับลงเหมือนที่ฟังที่ฟังมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้นึกพุโทโธพุธโทโธกันมานี่มีศีลมีองค์ประกอบอประเสริฐแปดอย่างที่สงบลงแล้วนี่ปัญญาในการที่จะชำระ ก, กิเลสมันจะเกิดขึ้นนะ ปัญญาในการที่จะกาจัดเจ้าราคะโทสะโมหะออกไปได้มันจะเกิดขึ้นนะให้เจ้าราคะโทสะโมหะนี่มันเป็นโรคของจิตใจเรานะพอเราใช้ปัญญามาตัดมันออกไปผ่ามันออกไปพอจิตเราไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนั่นคือความไม่มีโรคนะดูฟังเป็นการได้แอประเสริฐ ถ้เราจะบอกว่าได้เงินทองได้ชื่อเสียงได้ยศตำแหน่งได้สิ่งของนั่นนี่โอ้ดีมากเลยการได้นั้นเน่ยมันยังไม่สุดยอดได้แล้วมันเสียไปได้เป็นก่อสาธารณะกับคนอื่นคนอื่นสามารถแย่งไปได้แต่ถ้าได้ความไม่มีโรคคือได้อราคะได้อโทสะได้อโมหะคือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะ โอโยธุสุดยอดเลยทวันคือความไม่มีโรคจิตของเราถูกเสียดแทงด้วยราคาโทสะโมหะเหมือนหูนี่ถ้ามันเป็นโรคติดเชื้ออยู่ข้างในเป็นน้ำหนัวหูเราก็ถูกเสียแทนด้วยโรคเหมือนตานี่ถ้าตาเป็นต้อตาเป็นฝ้าฟางน้ำตาไหลเยอะตาเราก็ถูกเสียแทนด้วยโรคจิตรเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะ ก็ไม่ถูกเยษแตงเป็นจิตที่จะเกษมได้นั่นคือความไม่มีโรคนั่นเองหกประการเหล่านี้เป็นประตูแห่งประโยชน์แต่บุฟังเปิดล อ, อกเลยเปิดกว้างๆลุยเดินก็ไปเลยให้สบายใจเดินก็ไปแล้วก็กวักมือเรียกชวกนคนอื่นไปด้วยในการให้ไปตามทางประตูแห่งประโยชน์นี้ แล้ความที่จิตของเรามีความเบาบางในเรื่องของร oh าคาโตสาโมหะไหลมาจากการที่เรามีศีลจิตสงบปฏิบัติตามตามคล้อยตามพูดรูปไม่ท้อถอยนี่เวลาเราตัดสินใจเรื่องอะไรในชีวิตนะที่วาเาไอ้ฉันจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาจะทํางานที่นี้หรือทํางานที่ไหนจะลาออกเดียวหรือไม่หรือลงทุนในกองทุนนี้หรือลงทุนในกองทุนนั้นจะทํางานงานนี้หรือทํางานงานไหนจะรับโปรเจกตรับช็อบนี้หรือไม่ เราจะมีความแจ่มแจง้งเราจะมีความเข้าใจเพราะว่าคนที่จะเข้าใจในบ้อริบทเรื่องของตัวเองดีที่สุดก็คือตัวเรานั่นแหละแต่ว่าถ้าจิตใจของเราเนี่ยมันแปดเปื่อนไปด้วยความร้อนความหิวความมืดการตัดสินใจนั้นความเข้าใจนั้นมันจะไม่ชัดเจนมันจะคลุมเกลือนี่เป็นลักษณะของโรคในทางจิตคือชาราคาโตสามโมหะแต่ถ้าเราเคลียร์แล้ว เอาไว้เจ้าโรคคือความร้อนความหิวความมืดในีออกไปออกจิตใจมันสว่างนี่จิตใจมันแจ่มใสมันจะเห็นได้ชัดเหมือนคุณเปิดไฟแล้วเห็นแจ้งไปหมดพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลางวั น, เ, นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเปิดเห็นแล้วเราจะรู้ทางไปที่มันดีได้ทูกฝังมันจะเป็นประโยชน์กับในชีวิตของเราฝากไว้ในช่วงของจิตตาวิเวกเรื่องประตูแห่งประโยชน์ ผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการฝึกปฏิบัติธทมสมาธิไปด้วยกันในช่วงของจิตตะวิเวกได้ในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีหนถึงหโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้จัดโดยมูนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับพระมหาไพบูรณ์อาพิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิ คือปัญญา .org p a n y a .org หรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือว่าตามสื่อโซเชียลมีเดียมียูทู e มีเฟซบุ o กเป็นตน้นแล้วพบกันใหมในวันปรุ่งนี้สุดสปด์